ปลกลูกให้รู้จักสร้างเป้าหมายในชีวิตอย่างได้สมดุลเป้าหมายรูปธรรมเห็นได้จับต้องได้มีกรอบเวลาได้รางวัลเป้าหมายนามธรรมารู้สึกได้ไม่มีกรอบเวลาได้ความสุขอยากให้ลูกโตขึ้นอย่างมีความสุขไร้ความขัดแย้งทางใจ ต้องฝึกให้รู้จักเล็งเป้าหมายทั้งสองแบบอย่างสมดุลเป้าหมายจริงนั้นต้องมีองค์ประกอบ3ประการ 1. ที่ตั้งให้ตั้งตาตั้งใจเล็ง 2. วิธีพุ่งไปให้ถึงสิ่งที่ตาและใจเล็งไว้ 3. ผลลัพธ์ของการชนจุดที่เล็งหากองค์ประกอบทั้งสามเกิดขึ้นในใจเด็กได้ เขาจะโตขึ้นแบบคนรู้จักสร้างเป้าหมายในชีวิตเพราะสมองถูกเทรนให้เล็งเป้าขาดเป้าแล้วทนไม่ได้ชีวิตเหมือนขาดอะไรไปต้องหาอะไรเล็งใหม่เองเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเช่นฝึกใส่กางเกงใส่เสื้อถ้าเห็นลูกเอือยเฉยนั่นคือสัญญาณบอกว่าจิตใจเข้าร้จุดหมายให้คุณกระตุ้นเหมือนจะเล่นเกม โดยให้เวลาตามสมควรด้วยไม่ใช่ตะบี้ตะบันเอาให้ได้ดังใจเช่นเอานะให้เวลาสิบปดูสิจะใส่กางเกงเสร็จไหมจากนั้นตบมือดังๆและออกเสียงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงสิบสัญชาตยานชอบเล่นเกมของเด็กจะสั่งให้เขารีบใส่กางเกงทันทีถ้าเสร็จทันให้ตบมือโหร้องแสดงความยินดี นั่นคือรางวัลใหญ่ที่ทำให้เขาปลื้มใจในตนเองเห็นเป้าหมายเป็นสิ่งมีค่ามีความหมายและอยากใส่กัน เ, ก เ, อเองในครั้งต่อๆไปแต่ถ้าทำไม่ทันก็ให้โอกาสเขาใส่ใหม่ให้เขาค้นพบด้วยตัวเองว่ายิ่งฝึกจะยิ่งเร็วขึ้นกล้องเคล้าชานานขึ้นเมื่อลูกทำได้ในกรอบเวลาที่คุณกำหนดคอยเพิ่มความท้าทายเช่นเปลี่ยนจากตบช้าเป็นตบเร็ว หรือกระทั่งรัวให้ระทึกใจย้ำอีกว่าเป้าที่เป็นรู ป, ปรธรรมต้องมีกรอบเวลาและมีรางวัลเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป้าหมายที่เป็นนามรธรรมคุณต้องมีเป้าอันเป็นเครื่องตั้งความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่แจ่มชัดแตกต่างจากความรู้สึกอื่นเป็นพิเศษ เช่นความสุขแบบสว่างเย็นในห้องพระตั้งเป้าว่าถ้าเข้าห้องพระต้องมีความสุขเกิดขึ้นให้ได้อย่างน้อยรู้สึกดีขึ้นกว่าตอนก่อนเข้าห้องเด็กน้อยไวกับสุขทุกข์ที่ปนมากับน้ําเสียงมากกว่าที่คุณคิดลองสวดอิติปิโสสั้นๆสักวักสองวักแบบเงิงเงหรือทื่อๆเป็นนกแก้วนกขุนทองสวดเสร็จถามลูกว่า เสียงของพ่อหรือแม่ฟังดูมีความสุขไหมลูกตอบอย่างไรก็ช่างจากนั้นให้ตั้งใจสวดใหม่เปล่งเต็มเสียงด้วยเจตนาถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชากายไม่เกรง็งป่าท้าผอนคลายฝ่ามือผ่อนคลายใบหน้าผลอนคลายสวดเสร็จถามลูกอีกทีว่าเสียงของพ่อหรือแม่ฟังดูมีความสุขกว่าเดิมมากไหมอันไหนเพราะกว่ากัน คำตอบจะช่วยให้ทั้งคุณทั้งลูกรู้ว่าความต่างระหว่างสวดงันๆกับสวดดีๆผิดกันขนาดไหนตั้งเป้าสวดอิติปิโสอย่างมีความสุขชัดถ้อยชัดคำสม่ำเสมอให้ลูกนั่งพนมมือฟังไปเรื่อยๆสักเดือนเดียวโดยไม่จำเป็นต้องฝึกให้เขาท่องถ้าเห็นเขาจำได้แม้เพียงบางส่วนก็ให้กำลังใจเขาในการสวดตามจะผิดจะถูก จะเล่นเล่นบ้างหยุดหยุดบ้างก็ช่างอย่าซีเรียตรอให้เขาสวดตามได้ครบแล้วคอยชี้ให้สังเกตซ้ำว่าเสียงของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขไหมและลูกเสียงดังเท่าเสียงของคุณพ่อคุณแม่ไหมถ้าดังเท่ากันก็แปลว่ามีความสุขเท่ากันได้บุญเท่ากันนะคุณอาจใช้มือถือบันทึกเสียงไว้เปรียบเทียบให้เขาฟังหลังสวดก็ได้ ย้ำอีกทีว่าเป้าหมายที่เป็นนามธรรมต้องไม่มีกรอบเวลาห้ามเร่งรัดให้อาศัยความสบายที่สม่ำเสมอเป็นเครื่องสะสมสุขผลลัพธ์ต้องให้สังเกตออกจากข้างในของเขาถามดูว่ามีความสุขไหมอย่าล่อใจด้วยของรางวัลภายนอกเด็ดขาดต้องไม่มีเสียงปรบมือต้องไม่มีของเล่นมาติดสินบนสักชิน้นเพื่อให้เขารู้ว่า ความสุขภายในนั่นแหละรางวัลขั้นสูงสุดอยู่แล้วหากฝึกเล็งเป้าทางนามธรรมได้ถูกต้องเด็กจะเป็นคนใจเย็นรอได้และมีความสุขอยู่กับตัวเองเด็กที่รู้จักตั้งเป้าหมายทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมก็จะโตขึ้นแบบคนมีเป้าหมายทั้งข้างนอกและข้างในไม่พุ่งเป้าเอาพุ่งเป้าเอาเอาแต่ข้างนอก ทั้งที่งงๆอยู่ไม่รู้จะเอามาทำไมนักหนาและไม่เอาแต่เล็งเป้าเสพสุขอยู่ข้างในทั้งวันเพราะรู้สึกอยากเคลื่อนไหวไม่อยากขาดความกระตือรือร้นนั่นแหละสมดุลของการมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างแท้จริง หมายเหตุผู้อ่านสำหรับการสวดมนต์ถ้าเป็นไปได้ควรสวดพร้อมกับการแปลไปด้วยนะครับหรือสวดและควรเข้าใจความหมายคำที่สวดด้วย